ว่าาก็ดะห้าสิบหห้าสิบหว่าาก็ดะอะรวินาหูอายาตินาคุลล่าฟาคัซาบวะอาบะต่ฮาถูกสุดไร หสองกหกเหมือนกันสองอย่างนี้หกอย่างนี้ ولم أ ْ ت ي ن م سرها ليت فجعلتني อย่างอนยาวนันสิอันสั้นๆอย่างอนยาวอย่างอันยาว อย่าอย่าอันยาวอันสั้นๆเลยสิแล้วทัศน์รู้อัลล له ฺกดีบกอยู่แค่นี้คน بسم الله الرحمن الرحيم ฮฺ ن ัล م อฮฺอ ن ลลอ ل ฺอัลล ي ن ฺอัลลอฮฺ ه و ลลอ س ฺอัลลอ ن ฺอัลล ن ฮ س อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ل อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั و ลอฮฺอัลลอฮฺอั ا ลอฮฺอัลล ل ฮฺอัลลอฮฺอ ه ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ Allahumma bika أصبحنا وبيك أمسينا و ب ك ن و ب ك و ت و ي ش و ر ب ك َ م ن ش م خ ل َ ب ك م ا ت ا ت م ن ش م َ خ ل َ ب س م ا ل ل ه ِ ذ มาอัลซ์มิฮีชัยอุม ل นที่ดินและใ و ท้องฟ้าและ ي ป็นผู้ ا ل ่ได้ยินและรู้ م รื่องทุกอย่างฉัน ا ู้จักพระเจ้าและศาส س ل อิสลามและมูฮัมหมัดผู้เป็นศาสดาโอ้พระเจ้าข้าขออวยพรแก่พระองค์จากความขี้ข พี่น้องที่ร่วมนมาต์จม اعة ซุบ ห, หรืออีกคำึเรียกว่าฟัเจรที่รักทั้งหลายก็บระพรมุริ ล, ล, ละขอบคุณอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และุ์ต่าลที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคือนนี้และเราก็อัลลอ์ให้เราตื่นมาขณะที่บางคนเนี่ยเสียชีวิตหลับแล้วไม่ตื่นแต่เรานี่อัลล์ให้ตื่นมาอีกครั้งหนึง่ง แคนั้นจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ س ا ن ه และุต่าละขอบคุณอัลลอฮ์ให้ว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัจยานะบะดมาอามตานาวาอิลัฮินุชูรนี่เป็นตัวอ้าขอบคุณอัลลอฮ์แปลว่าอัลฮัมดุลิลลาการสรรเสริญทั้งหลายนเป็นของอัลลอ์อัลลอัจยานา อัลลอฮ์ผู้ซึ่งทำให้เรานี่นะมีชีวิตหมายถึงให้ฟื้นขึ้นมาบาดมามะอามาตานะหลังจากที่พระองค์ให้เราเสียชีวิตไปหมายถึงนอนหลับไปเมื่อคือนนี้วาอิไลฮินูชูดแล้วก็ให้เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์หมายถึงฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานูอัจจลานี่เป็นดวงเตือนใจ นะครับเตือนใจเราให้นึกถึงอัลลอ์แล้วก็บอกให้รู้ว่าที่เราหลับไปเมื่อคืนที่ตื่นมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์นะไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกที่จะช่วยได้นะฉะนั้นเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานหูวะตาละตลอดเวลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้นามารวมกันเป็นจมาะนะครับทีนี้การนามาสุบร์เนี่ย นะครับการนมาสซุโบเนี่ยที่ก่อนจะนมาสซุโบสองรอกาศเนี่ยมันมีนมาตอีสองละกาศเรียกว่านมาตอะไรนะนมาตกเบลียะอ่านมาซุนาตราวะทิปโกอบลียะดังนั้นคนที่มานมัที่มัสยิดเนี่ยถ้าเอาซุนนะนบีมาใชา้แต่เป็นซุนนะที่ที่เราลืมไปแล้วนะคนส่วนใหญ่เนี่ยลืม <c oughs> คือ น, นมาซูโบ๒รักษาดับจามะนะ่ะถูกต้องแล้วทําถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ควรจะนมาซุนัตเนี่ยที่บ้านานมาซุนัดสองรกษาดัเนี่ยควรจะนมาที่บ้านพอมาถึงจะมีเวลาอีก5้านาทีก็ให้นมาแต่ให้ตุนมัสยิดสองรักษาแล้วก็นมาซูโบ ร, รวมกับจามะนะครับอย่าลืมนะนมาซุนัด กบลยเนี่ยวันนึงมีทั้งหมดสิบสองรากอาอัดหรือสิบรากอาอัดเขานับยังไงก่อนนมาฎซูฟรีก่อนนามนนาฎบายนะมีมีสี่าำพิรละสองหลังนามาฎบ่ายทาอีกสองนะครับถ้านับสิบสองนะนะหรากอาอัดแล้วหลังมะริบอีก2เป็น8หลังนมาฎอิชาอีกสองเป็น10 ก, ก่อนนามาฎซุบเนี่ย อีกสองราา็อาจรวมเป็นสิบสองระาามาดูผ ล, ลบุญ บ, บานอัลลอฮูเลหูไบตันกุลจันนะนี่รางวัลที่อลัลลอ์จัดก็คืออลัลลอ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้คนคนนั้นนะ่ะในสวนสวรรค์โอกาสที่จะไปสวรรค์สูงมากเราไม่รู้ว่าอลัลละ์จะตอบแทนความดีของเราสวนไหนเราไม่รู้แต่เราก็ต้องทำทุกอย่างที่นบีสั่งและที่อลัลลอฮ์สั่งนะ ขอคุณนวลนาะที่เราได้ทบทวนคุรานมาเนี่ยมาถึงสุระทียี 20, ่สิบสุรปหานะนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงอายะที่เท่าไหร่นะห้าหกสิบห้าห้าสิบหกเดี๋ยวก่อนขออธิบายอีกนิดหนึ่งท่านนาบีสอนอย่างงี้นะ มันคนที่ได้รับความสําเร็จนะ่ะคนที่ได้รับความสําเร็จบนโลกดุนยานี้นี่นะแล้วก็มองชีวิตโลกดุนยาไปนี้สั้นๆแค่วันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้มันอัสลามาคนที่รับนับถืออัลอิสลามคนนี้แหละเป็นคนที่เขาเรียกว่าได้รับความสําเร็จบนโลกดุนยาและอาคีระเยอะอยู่ในสุสารด้วยนะครับหนึ่งคนที่อัสลมัม รับนับถือแล้วก็เรียนรู้เรื่องาศาสนาอิสลามซึ่งเป็นาศาสนาของอัลลอฮ์นี่ข้อที่หนึ่งนะครับอัสลามะนะครับข้อที่สองวารุซ mm ิก hmm. ก่อกาฟ่าฟันรู้ซิกหมายถึงถูกได้รับปริสกีอัลลอฮ์ให้ริสกีเขาเนี่ยพอพอใช่บางคนนี่นะไปชอบริสกีน้อยนะอยากได้ริสกีเยอะๆ เ, เมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้แหละริสกีมันต้องได้เยอะ แต่พออ่านไปอ่านไปอ่านไปไปเจอนะ่คนที่ได้ริสกีน้อยๆนยนะ่ไม่ต้องไปเสียใจนะคนที่ได้ริสกีน้อยนะอามันของเขาเพียงเล็กน้อยเอาลอพอใจไปสวรรค์เลยไม่เอาอะได้ริสกีน้อยบนดุญญานีสู้คนนี้คนนี้โอ้โหเงินเต็ไไมไปหมดเลยเงินทองเยอะชื่อเสียงตำแหน่งเอาล็ให้เต็มไปหมดเลย แต่มุสลิมบางคนได้ริสกีเล็กๆน้อยๆอยพออยู่ได้เองใช่ไหมแต่ว่าอัลลอฮ์พอใจในอามันของเขานะอามั่นเล็กๆน้อยของเขาอัลลอฮ์ผ่านเลยโอ้คนนี้ไม่มีปัญหามีอามันซ้อนแล้วเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ให้ผ่านหมดเลยเพราะได้ริสกีน้อยฉะนั้นพ้องต้องพึงพอใจนะในริสกีที่อัลลอฮ์มอบให้เพราะอัลลอฮ์ให้ใครริสกีคนเท่ากันไหมไม่เท่า ไม่เท่ากันแน่นอนเอานึกถึงนบีนบีเป็นอย่างนี้ถามว่าบ้านนาบีกับบ้านเราเนี่ยใครใหญ่กว่ากันอ้าบ้านนาบีกับบ้านเราเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเราอ่านจากคดีพบว่าตอนที่นบีสุ j u ดในเวลากลางคืนนะมาต่ดฮัดยุษเนี่ยสุ j u ดลงไปนะ่ะเจอเท้าภรรยานอนอยู่แสดงว่าบ้านนาบีเล็กมากเลยต้องดันเท้าภรรยาขึ้นไป งอเท้าไว้ก็นบีก็สูดอยู่บาดตังบ้าเล็กใช่ไหมเวลายืนก็มันการไปยกมือขึ้นเนี่ยติดหลังคาฉะนั้นคนที่มีริสกีน้อยๆแบบนี้นี่นะอย่าไปดูถูกเขานะแล้วเขาพอใจหรือล่ะมันเป็นนพอใจบ้างกันแค่นี้แหละและคนที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เนี่ยอามั่นของเขาเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ก็พอใจแล้วไอ้คนที่ริสกีเยอะเนี่ย อลัลลอฮ์ก็ต้องการให้อามันเขาเยอะด้วยนะริสกีเยอะอามันก็ดำเยอะแต่ปรากฏว่าทั้งชีวิตไม่เคยลุกขึ้นในมาหาฐานยุ่นเลยซูบโบไม่เคยแทมมาซูราวเลยแล้วอามันจะซอนแล้วส่วนไหนที่เราะจะพอใจฉะนั้นเมื่อได้ริสกีน้อยอลัลลอฮ์ก็พอใจไหนอามันที่เขาทําเพียงเล็กๆน้อยๆ อ, อ่านี่ข้อที่หนึ่งนะคนที่อลัลลอฮ์ว่าโชคดี โชคดีไม่ฟว้าไม่ใช่นะแปลว่าอัฟลาได้รับความสำเร็จน่ะหนึ่งเป็นมุสลิมสองริสกีที่เขาได้รับน่ะเล็กๆน้อยๆข้อที่สามว่าก้อนนาหูบิมาอาตาหุลลเขาพอใจกับริสกีเล็กๆน้อยๆที่เอาลองให้มากก็พอใจหมดเลยให้มากก็พอใจให้น้อยก็พอใจแต่พี่น้องอย่าลืมนะได้น้อยน่ะไม่มีใครพอใจหรอก แต่คนที่จะพอใจก็คือคนที่อ่านฮาดิษบทนี้โอ้ฉันได้ริสกีน้อยสูบผี่เฉลิมไม่ได้ล่ำ ไ, ได้ฉันได้ดิสกีเยอะเจ้ไหมทำดีลีลาิสกีเยอะก็ต่ออมันเยอะแต่ริสกีน้อยต่ออมันอมันน้อยทดลีลาอัลลอฮขอบคุณ Allah. อัลลอฮฺเอาวันนี้มาเจอคุณอ่านอายะห์56 ว่าเาก็ด้ออรยนาหุอาญาตินาและโดยแน่นอนยิ่งกัดละกัดแต่ว่าโดยแน่นอนยิ่งอรยนาหุเราได้แสดงให้เขาเห็นนะ่ะอรยนาหุให้ใครเห็นให้ฟิรูหเห็นโดยผ่านนบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาไปหาฟิรูหไปหาฟาโร และให้นาะให้ให้ฟรอนโอให้นบีมูซาเนี่ยสแสดงสัญญาณอาญาตินามายถึงมั่จีดาัทีนี้อัลลอฮฺได้ให้นบีโมซาเนี่ยสแสดงมั่วจีดจัให้ฟาโรห์เห็นให้ฟาโรห์เห็นกุลลฮาสัญญาณสัญญาณทั้งหมดของเราแก่ฟรอนโอให้เฟรอนโอเห็นแล้วเป็นไง ถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมูซาเนี่ยพาสัญญาณของอัลลอฮ์ให้กับนบีให้กับมูซาให้มูซ่าพาไปหาเฟรงโกเน่ยกี่รายการรู้ไหมทั้งหมดมีทั้งหมดเก้ารายการที่ผ่านๆมาเนี่ยนะจะขอสรุปนะเก้ารายการมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งไม้มือถือของฟาโร่กลายเป็นงูเวลาโยนออกไปนะครับ ข้อที่สองชักมือออกมาสว่างเลยมีแสงไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนไม่ใช่มือสว่างนี่มโหจิยาตข้อที่สองข้อที่ส ม, มีเหาเหาเต็มบนหัวบนหัวของคนที่ไม่เอ า, าศาสนาในวันนู้นนะนะเหาเต็มเลยข้อที่สเหาเป็น เป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งไหนมะมีเหาเหาเหาเหาเหาเหาเต็มไปหมดเลยข้อที่สีมีกบหรือมีเขียดพอตักเนี่ยเจอเขียดตักเจอเขียดตักน้ําเจอเขียดเจอกบเต็มไปหมดนี่เป็นโรคชนิดหนึ่งในสมัยโน้นนะข้อที่ห้าเนี่ยมีแตะกตาแตนตะกตาแตนตะกตาแตนตะกตาแตนเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยบินกวนๆไปหมดเลยเนี่ยเอารอส่งมาเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งค่อยๆทยอยลงมานะ ในช่วงตำเรีกี่ปีประมาณยี่สิบปีมัง้งนะแล้วข้อที่ข้อที่หเลือดน้ำจีกลายเป็นเลือดหมดเลยแดงทั้งครองเลยบอบันไร ม, มีน้กากลายเป็นเลือดแดงหมดเลยนั่นเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งข้อที่หกข้อที่เจ็ดลมพายุฝนมาลมพายุฝนมาข้อที่แปดเนี่ยอาหารขาดแคลน อาหารคาดแคนมีเงินแต่ไม่มีอาหารขายที่ตลาดเนะี่ยปลูกอะไรมาก็ต้นตายหมดตายหมดตายหมดนีเน่เป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่มาจากอัลลอสุบฮานวะตะลามาในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามข้อที่เก้าเนี่ยการขาดแคลนผลไม้ผลไม้ไม่มีอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะโรคระบาดแบบนี้เนะี่ยเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นตลอดเวลาทั่วโลก ถามว่าอัลลอฮ์สอนอะไรมันก็สอนให้เรากลับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งโรคเหล่านี้มานะเขาเรียกว่าเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งมาสอนคนใจบอดไม่ใช่ขอนคนตาบอดนะมาสอนคนใจบอดตาบอดกับใจบอดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นโลกดุนยา ดุนยามองไม่เห็นเลยซีคอนไม่เคยเห็นเลยเครื่องบินไม่เคยเห็นเลยเพราะตาบอดตลอดโลกดุนยาไม่เคยเห็นเลยอัลลอฮ์ให้อะไรมาแต่คนใจบอดนะเห็นดุนยาแต่ไม่เห็นอาคีรอคนใจบอดก็คือคนที่ไม่เห็นภาพโลกอาคีรอนั่นคือคนใจบอดอัลลอฮ์เนี่ยส่งโรคระบาดแปดเก้ารายการเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวก็ส่งมาเดี๋ยวก็ส่งมา พอส่งมาแต่ละครั้งนี่นะวิ่งไปหามูซาหมดเลยมูซามูซาช่วยขอดุอาต่ออัลลอ์ของท่านหน่อยสิให้ขจัดปัญหาโรคระบาด ท, ที่เกิดขึ้นกับฉันหน่อยและฉันจะอีมานต่อท่านนั่นแหล ะ, อ, ะอันนี้ก็ยกมือขออยากรอช่วยหน่อยพอโรคระบาดไปทรยศเหมือนเดิมทั้งหมดกนะ้าครั้งด้วยกันครั้งและหนักหนักทันหมดแต่ทำไมไม่เชื่อพอใจมันบอด กานคนใจบอดเองก็คือคนที่มองภาพดุญยาอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจภาพโลกอาคืระลี่ต้องครับคนที่ไม่นึกถึงอัลลอ์เนี่ยใจบอดใจบอดไม่นึกถึงวันเกียรมะใจบอดไม่นึกถึงการลงโทษในสุสานใจบอดคนที่ไม่นึกภาพทุ่งมัสัดคือใจบอดทั้งหมดและปฏิเสธอะไรนะปฏิเสธอัลลอฮ์มลาอิกะวันสิ้นโลกนี่คือใจบอดทั้งหมด วันนี้คุณอ่านมาสอนคนใจบอดนะครับว่าล้ก็จะอารอยนาหูอ า, าตินากุลลาและโดยแน่นอนยิ่งเราไ ด, ได้แสดงสัญญาณทั้งหมดของเราแก่เฟรอนรับเป็นไงครับฟากาบาวาอาบาแตฟิฟรอนได้ว่าสัญญาณที่มูซานนำมานั้นโกหก ไม่จริงแล้วก็ปฏิเสธอีกอ้าวยังเมีย อ, อะไรนะพรน บ, บีมูซาโยนไม้ตาพดเป็นงูเขาว่าอันนี้มายากลเห็นไหมไม่มีทางแก้ตลอดเวลานี่มายากลนี่มาตอแหลอแล้วอัามายากลเองฉันก็มีนักมายากลตังยุแยแบเลยในประเทศอียิปต์ก็เอามาแข่งกันอ้าวต่อมาครับพี่นอ้องอายุที่จะไหล น, นะหกสิบ 57, nah, kalajika na litukrida na min arzina bisah, bisahri kaya Musa, bisahri kaya Musa, macam b i s a ข้าวลِเจตนาลิตุคริจนาในเอรดินาบِเซฮาริกาโมซาฟิร อ, อนฟูร์ว่าฟป็นอ์กล่าววา่าเจตนาะท่านเนี่ยมาถึงมมซานี่มาห า, ราเราความจริงมมซามันจะไปคนเดียวไปกับใครนะ พี่ชายชื่อว่าฮารูนบางครัง้งอัลลอ์ก็เล่าเป็นมุฟรัดบางทีก็เล่าเป็นเป็นจามะบางทีก็เป็นมุซันนาเป็นโทโพ์เป็นปะหูโพอ์อัลลอ์เล่าให้เราคิดแต่าชายปัญญาน่นะก็อลออาจิตานาะท่านมาหาเราลิตุคริจนาะที่นำเอาอะไรนะเอาอะไรไอ้นี่เอากบเอาเขียดเอาเลือดเอาไม้ ทพธ์กลายเป็นงูยกมือขึ้นมาสีขาวทั้งหมดเราเนี่แปดเก้าเราการเนี่ ย, 8, นนยคุณเป้าหมายก็คือรีตุกหเจนาเพื่อจะให้เราออกจากมินอรัรดินาจากแผ่นดินของเราคุณต้องการที่จะไล่เราออกจากประเทศอียิปต์ใช่ไหมคุณจะครอบครองประเทศอียิปต์ที่คนเดียวใช่ไหมนี่มาถึงอำนาจทางการเมืองอ่าฉันคุณต้องคุณต้องการจะไล่พวกเราเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์ แล้วคุณจะดูแลปุจย์ประเทศนี้เป็นของคุณใช่ไหมนี่ห่วงอะไรนะห่วงที่ห่วงอะไรนะห่วงที่ดินห่วงเงินตนําแหน่งเกียรติยศห่วงก็ตรงนี้แลเละเลยไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮานาะบูวาตาเลยฉะนั้นเรื่องมรดกเรื่องทะเลาะ ก, กันนะอย่าให้มีอย่าให้เกิดขึ้นในกรุงของเรานะถ้ามันจบไอ้ที่ผ่านมา ก, ก่อแลว้วก็ไปไอ้ที่ใหม่ๆเนี่ยนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ริสกีผ่านพ่อมาเราไม่ได้เหนื่อยนะ ที่ดินก็ดีบ้านก็ดีที่พ่อสร้างสร้างเอาไว้มีอะไรนะอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องมีที่ดินอยู่ร0อยไร่ลูกมาทะเลาะกันจริงๆไม่น่าจะมาทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเป็นรีสุกีที่เราไม่ได้เหนื่อยใครเหนื่อยพ่อแม่เหนื่อยใช่หไหมนี่เป็นริสุกีทั้งหมดนี่แต่หากว่าเรามาทะเลาะกันไม่ต่างอะไรกับฟาโร่โงะงใช่ไมนี่คุณจะเอาที่ดินของเราไปใช่ไห ให้เราออกจากที่ดินอันนี้ใช่ไหมเหมือนพวกเร า, าแหละเราจะเป็นมุสลิมนะแต่บางทีไม่ได้อ่านอายะเรื่องมรดกก็เลยทะเาลาะกันขึ้นศาลกี่ปีพ็จะจบมา้กี่ปีอย่างน้อยสิบนะระหว่างที่สิบปีเนี่ยลูกๆคิดถึงใครนึกถึงทนายมากกว่านึกถึงอรอชีวิตอย่างนี้เราผ่านมาหมดแล้วนะ ก็อัสซาฟิรุลลอฮ์เคลเลาวอัสซาฟิรุลลอฮ์ก็ว่าไอาจิตนาลิตุคริจานามินอาร์ดินาท่านนี่นะมหาเราเพื่อให้เราออกจากแผ่นดินของเราด้วยอะไรบิเซฮริกะบิเซฮริกะด้วยมายากลด้วยกลของท่านโดยการหลอกของท่านโยนไม้เป็นงูแค่นี้แหละอัลลอฮฺคุณจะเอาที่ดินประเทศอียิปต์ทั้งหมด ถ้าให้ชั้นออกจากประเทศนี้แล้วคุณเข้ามาครองอ่ะไปเอามายาโกเลนเล็เกๆน้อยๆเนี่ยมาหลอกเราเนี่ยนะโอ้มูซาคุณทําอย่างนี้กันนั่นหรือมูซาเออนี่เป็นข้อเตือนใจนะเอารอพี่น้องเตือนใจที่ดีที่สุดเลยวนันนี้นั่นระดับประเทศนะและระดับหมู่บ้านอีหละ่ะระดับจังหวัดอีหละ่ะระดับครอบครัวอีหละ่ะท้เลอะกันเรื่องแผ่นดินนี่ก็เยอะเรื่องที่ดินอีละ่ะเยอะๆมาก คิดดีๆนองคิดดีๆฉะนั้นเวลาคิดเรื่องจนรวยริสกีน้อริสกีมากให้มองนบีเป็นบุคคลตัวอย่างสบายใจไหมสบายใจหรือครับดูลิลล์นี่สว บ, บานนบีบางคนนี่นะ่ะตอนป่วยนะลูกๆมาเห็นพ่อนั่งร้องไห้บอกพ่อพ่อพ่อร้ อ, รองไห้ทําไมอ่ะเช่นอบูอไรรอนเนี่ยร้องไห้ ฉันร้องไห้กลัวว่าอามันที่ฉันทํานี่นะมันไปไม่ถึงไหนอ่ะมันหมดกลางทางหลังจากตายไปแล้วตํางนอนอยู่ในกูโบกี่ปีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในทุกมาชัดยืนอีกกี่ปีความดีที่ทําบนโลกดุนยานี้กลัวว่าไปใช่ในะกูโบไม่เท่าไรอามันหมดเขาร้องไห้ก็ เ, เสียใจตรงนั้นเนี่คนคิดถึงโลกอะไรนะโลกอาคือรอเยอะๆเขาเรียกว่าใจบอดไหมคนอย่างเงี้ย ใจไม่บอดไอ้คนที่ใจบ่อยก็คือกูต้องได้ทุกอย่างบนดุญยาใบนี้ชีวิตหลังตายฉันไม่แคร์พี่น้องครับคิดเยอะๆนะชีวิตในโลกอาคิราะอีกยาวนานมากนะชีวิตดดนยานี่ไม่ทารายอัลลอ์เอลีเล้ยงอยู่แล้วไนงะอลัลลอ์คงคิดถึงใครจะเป็นมุสลิมอยู่ที่เนี่ยลุงอะไรอะ่ะที่อยู่เพชรบุรีนะ กบเคียดมันเคยขอใครมันมันหารีสกีมันเองอันนี้ไม่ให้ตายด้วยละ่ะแล้วเราอันนี้จะให้ตายเลยรอว่ามีทั้งสมองมีแต่ปัญญามีทั้งาศาสนามีมือมีเท้าโอเต็มไปหมดแล้วกลัวรีสกีจะหมดกลัวทําไมทำยังไม่เรียดความจริงไม่ต้องอาศัยไอ้ลุงที่เราฟังจะกูอ่านก็พอแล้วใช่ไหมทำยังไม่เรียดเอ้า ฟาโรว่าไงนะนี่มูซาคุณต้องการจะล่ฉันออกจากแผ่นดินนี้ใช่ไหมและคุณต้องการจะครอบครองแผ่นดินนี้ใช่ไหมโดยใช้มายากลของคุณเลี้ยงียงน้อยๆอ้าวต่อมาครับตอบว่าไงครับฟาโรตอบว่าไงฟานติยานนากาบิเซฮริมิสลิฟาจัลไบนานาว่าไบนากามาวอิดะ לא نخلفه نحن ولا أنت مكان س ก ا น, นี่คำตอบของฟาโรนะครับข้างบนก็เป็นคำท้าทายของฟาโรอยายะนี้เป็นคำตอบสุดท้ายว่าไงแต่เราก็จะนำมาแสดงแก่ท่าน เราที่จะนํามายากรมาจะเชิญมายากรในอียิปต์ทั้งหมดจะมาแข่งกับคุณคุณก็เป็นนักมายากรไม่ได้มองเป็นนบีใช่ไหมมองเป็นนักมายากรผมนึกถึงอ บ, บูตอเลบลุงนบีลุงน บ, งนบีอัลลอฮฺไม่ให้เข้าสวรรค์นตามนาบีเล่าเองนะตามข้อพิสูนะลุงนบีไม่ได้เข้าสวรรค์ทั้งๆที่ลุงนบีเนี่ยดูแลนบีมาตลอด ทำอธิบายเป็นอย่างนี้ลุงนาบีดูแลนบีในฐานะเป็นหลานไม่ได้ดูแลนบีในฐานะมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เห็นไหมขณะตอนจะเสียชีวิตเนี่ยนบีแปว่าลุงลุงลุงครับกล่าวคํานี้สิละอิละฮ์อิลลอหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปหาอัลลอฮ์เองไปพูดกับอัลลอฮ์นะครับไปเป็นเนี่ไปขอร้องอนะัลลอฮ์น่ะลุงบอก เห็นไหนี่ก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมฟาโร่เนี่ยมองมูซาเป็นนักมายากลไม่ได้มองเป็นนบีของอัลลอฮ์สุบฮานาห์อาาัตตาลเนี่พวกเราวันนี้ก็เหมือนกันบางทีมองนบีมองมันะ่เป็นตัวซูลจริงหรือเปล่ามองนบีจริงหรือเปล่าว่าเป็นตัวซูลของอัลลอฮ์แล้วของที่นบีพูดแต่ละคําแต่ละคำนะ่ะมาจากอัลลอฮ์จริงๆนะ่ะเชื่อหรือเปล่า บางคนของที่นบีสอนไม่เอา啊ของที่โตคูสอนของที่แชร์สอนเอาทิ้งของนบียึดของโตโยะเนี่ย ก, กุลบานจะมาเนี่ยบางคนไม่เคยทำกุลบานเลยนะทั้งชีวิตนะเพราะว่าที่บ้านไม่เคยสอนไม่เคยสั่งแล้วก็มองรอซูลเป็นไงมองรอซูลระซูลอะไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่ไง ความรู้สึกอย่างนี้อยากอยากอยากให้อยู่ในใจของเรานะรซูลก็คือรซูลจริงๆนะอะไรที่รซูนนำเอามาบอกนัานมาจากอัลลอ์ทั้งหมดระวังระวังแต่นี้ฟาโรห์มองนบีมูซาเป็นนักมายากลไม่ได้มองเป็นรซูลของอ AH ววัลลอฮ์ س า ح ا ن ه และฟันนาตียันนาคาบิเซห์ริ ม, มิสลิ แต่เราก็จะนํามาแสดงแก่ท่านซึ่งมายากลเยี่ยนนั้นได้เช่นกันมาต่อสู้กับคุณนั่นแหละอืมเห็นอย่างรครับคนที่ต่อต่อสู้กับซุนนะนบีนะ่ะเหลืออะไรฟารโรห์เหลือหรือไม่เหลืออ่านต่อไปไม่เหลือเลยนั่นขวางซุนนะนบีนบีไร้ น, บ, นบีมูซาะ ร, ระยิสลาแล้วพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันใครที่ขวางซุนนะนบีระวังจะไม่เหลืออะไรเลยนะ่ะ แต่นั้นเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อรอซูลถ้าฟาโร่เนี่ยเชื่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อรอซูลนบีมูซานะอัลลอฮ์ว่กบรรทัดไปสวรรค์แต่ขวางและขวางไปไงอ่ะจบจบในกลางทะเลน่ะไม่ใช่ตายธรรมดาน่ะตอนที่ศพยังอยู่ใจมันยังอยู่เพื่ออะไรครับให้นึกโอ้คนที่มองรอซูลของอัลลอฮ์เป็นนักมายากลโอ้โหเห็นยังไงมวงรอซูลของอัลลอฮ์เป็นมายากลเป็นตัวตลก พี่น้องนี่แหละครับจากคุณอ่านได้ขอคิดเยอะนะฟาจานไบนานาว์ไบานากะดังนั้นจงตั้งวันกำหนดระหว่างพวกเราและท่านนี่ฟาโรช์เลยนะเมื่อคุณเป็นนักมายากลเราก็จะเอานักมายากลในประเทศอียิปต์ทั้งหมดรวมกัน <c oughs> ในตับซีดบางเล่มบอกว่ามีอยู่เจ็ดสิบสองคน นักมายากนของอียิปต์มีรว้แล้วเจ็ดสิบสองคนนะครับก็เชิญมาหมดเลยทุกๆอทุกอ ำ, กอำเภอจังหวัดละไปตามตามมาได้เจ็ดสิบสองคนมาแข่งกับใครนะนบีมูซาอะเลฮิสาลามลาโคเลฟูฮูนนุเราจะไม่ผิดพริ้วไม่บิดพริ้วมันเราจะไม่เราจะไม่เบี้ยวนะถ้าสัญญาว่าจะเอาวันไหน จะประลองกันวันไหนจะมาแข่งกันวันไหนหเราจะไม่บิยดผิวนะครับนะฮะโนวาเลอันต่ทั้งตัวเราและตัวท่านด้วยมาการันสุวสถานที่กลางแห่งหนึ่งตรงนี้มีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเวลาจะประลองกันเนี่ยต้องหาที่กลางที่กลางแล้วไง ที่ที่คนทั้งสองฝ่ายเดินมาสะดวกต้องเป็นสนามใหญ่ๆกว้างๆเ้าเรียกว่าไมาด้านมีสนามใหญ่ๆพี่น้องนี่จะประชุมงานใหญ่ๆนี่ต้องหาที่กางไนี่กูอ่านซอลเลยนะมาแกนซัว ส, สถานที่กลางเปล่เอาอยากจะเอามุสลิมในกมทมแถบนี้เนี่ยถ้าจะรวมมุสลิมน่าจะเป็นที่ศูนย์กลางมันอาจจะสะดวกหน่อยใช่ไหม พวกน้องจอก็มาง่ายพวกจากกรุงเทพก็มาง่ายหน่อยหรือจะเอาสถานที่สนามหลวงโอ้นมุสล่มน้องจอกไปยากหน่อยก็ต้องดูที่กกกลางๆเนี่ยตรงไหนที่คนน้องจอกมาง่ายหน่อยคนกรุงเทพลงไปสะดวกหน่อยนี่ไงแสดงว่าพวกเราสมัยก่อนก็เก่งแล้วนะเก่งมากเลยนะจะนัดประชุมประลองเนี่ยก็ต้องหาที่กลางกลางด้วยใช่ไหม สามารถไปสะดวกสบายด้วยอ๋อ น, น, นี่สอนเราวันนี้ก็เหมือนกันนะครับอะต่อมาครับ <c oughs> อะยะที่เท่าไรนะห้าสิบเก้ากอลามอไกดุกุมยาอุมซีนะกอล่ามอไกดุคุมยาอุมซีนะแปลว่าอะไรครับ โมซากล่าวว่าวันกำหนดของพวกท่านคือวันอีดอ่ายามุดซีนะเขาเรียกว่าวันวันรื่นเริงหรือวันขัดขัดจะเลิกวันที่รู้จักกันแล้วในตับซีรภาษาอุ้ดูอธิบายว่าในอียิปต์เนี่ยนะมีงานประจำปีปีหนึ่งมีอยู่สองครั้งในอียิปต์เนี่ยสมัยโกรเนี่ยนะ เขาจะมีงานประจําปีของเขาเลยปีหนึงมีอยู่สองครั้งครั้งแรกในเดือนมีนาคมแล้วก็ครั้งที่สองกันในเดือนสิงหาคมผู้คนจะมากันเยอะมากเลยมีงานประจําปีเอาสินค้ามาขายกันอะไรแพะแกะวัวควายเอามาขายกันนะั้นโออยิ่งใหญ่นะเมืองไทยก็มีทุกประเทศนี้หมดเลยใช่ไหมงานประจําปีของเขาเนี่นะในอียิปต์ก็มีวันงานประจําปีปีละสองครั้งเดือน มีนาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมนบีมูซาตอบว่าไงนะก็ละมาไห้ดูกลุ่มเยามุซีนะวันกำหนดของพวกท่านก็คือวันที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วเอาวันขัดตะเริกนั้นแหละเอาวันที่ท่านมาชุมนุมกันอยู่แล้วนะ่ะนัดวันนั้นได้เลยไม่มีปัญหาอทีนี้เมื่อนัดแล้วเนี่ยว่าอัยชุรอนา ว่าอายุชารุณนัสและให้ประชาชนมาชุมนุมกันเยอะๆให้ประชาชนมาชุมนุมกันเยอะๆต้องเป็นสถานที่กลางสองเป็นวันขัดฤกษ์เป็นวันรื่นเริงที่พวกท่านรู้อยู่แล้วว่าวันไหนดีที่สุดเอาวันนั้นแหละและ้วก็ว่าอายุชารุณนัสและให้คนมาเยอะๆและกรรมาการไม่มีเลย กรรมการตัดสินเนี่ยนี่แหละเป็นกรรมการเลยยุวชรุนนาสพอผู้คนมาเยอะๆให้ประชาชนตัดสินแพ้ตัวอัตโนมัติอยู่แล้วง <c oughs> านนี้อ๋อในใครพูดนะนบีมูซาพูดเอาประชาชนตัดสินเลยดูฮาเอาเวลาตอนสายๆทำไมาต้องสายตอนเย็นไม่ได้หรือไอตอนเย็นเดี๋ยวมัน มันมืด ม, มันเห็นไม่ชัดเอาตอนสายๆเก้าโมงสิบโมงเนี่ยคนจะได้เห็นชัดเออจริงๆเว้ยมันไม่ได้หลอกเนี่ย อ, อ, อัลลอฮฺอลัลกุบะตอัลลอฮฺเล่านการพิจุรณาดีมากๆเลยครับพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นให้ประชาชนตัดสินนะดีไหมดีถ้ามีกรรมการเข้าข้างอันนะถ้ามีกรรมการนั่งอยู่มันเข้าข้างกันแหลกเลยบางทีมันโกงด้วยอะไรด้วยใช่ไหมนี่มูซาบอกให้ประชาชนตัดสินเลย ทมดูลินแหลครับเอาตัวลองว่า น, นัดวันแล้วใช่ไหมนัดวันวันไหนวันขัตะเลิ์วันใะวันที่เขาแสดงความมาประชุมนุมกันมาค้าขายกันวันรื่นเริงซึ่งชาวบ้านรู้อยู่แล้วมาที่ตรงนั้นแลว้วก็ให้ประชาชนมาเยอะๆมาทำรัมาตัดสินเลยว่าใครแพ้ชนะดูฮาตอนเวลาสายๆพี่น้องครับสังเกตนะตอนเวลาสายๆเนี่ยอาซาจะมาในตอนนี้แหละ พอตอนสายกาลังเพลินเนี่ยอ่านดีไหมเนี่ยดูมายากรเพลินไหมเพลินเลืมนึกถึงอัลลอฮ์ระวังสึนามิครั้งที่แรงมากกว่าตอนสายๆนี่แหละตอนดูฮานี่แหละเก้าโงเช้าเห็นไหมตอนเก้าโงเช้านักธุรกิจรตาขายอยู่ในหลังลืมอัลลอฮ์นับเงินเพลินนักค้านักขายนับเงิน นักการเมืองก่อนลังเลงประชุมจะเข้าสภ า, านึกถึงอัลลอฮ์กันกี่คนพี่น้องเพราะนั้นส่วนใหญ่ก่อนดูฮาน่นะบางคนก็ไม่สาบาก็นอนพักผอเนี่ยค น, เนีเลี้ยงแพะเลี้ยงอู๋ก็อยู่กลางทุ่งกลางนางคนชาวนาก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวป่ากันนึกถึงอัลลอฮ์กี่คนนบีเลยสั่งว่าใครที่นมาดูฮาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าผลละบุญนมาดุฮ่าจะใดรู้ไหมเป็นการชดเชยในสุขเนี่ยในร่างกายของคนมี เนี่ยมีกระด้ากรดูกเนี่ยข้อต่อรวมแล้วสามรอยหสิบข้อต่อเอามานับกันนะคํานับกันหมดแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วนบีบอกว่าให้เราบริจาคเท่ากับข้อต่อที่อยู่ในร้านของเราสามรอยหสิบนะ่ะเยอะไหมเยอะบริจาคไหวไหมไม่ไ ห, ไหวทําไงเอาอะไรมาทดแทนนมาดดูฮารสองละกอ็กอัดสี่ละก็อัดหกละก็อัดแปดละก็อัดไปทดแทนเท่ากับ สอดอกก้ที่จะต้องทำสามร้อยหกสิบครั้งขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะลาที่อัลลอฮ์ชี้ทางออกให้พี่น้อ ง, อ, งอย่าลืมดูฮ้าพี่น้องอย่าลืมดูฮ้านะดุฮ้าหมายถึงเว้นเวลาที่เรากําลังเพลิดเพลินกับโลกดุนยาพอเพลินมากๆแล้วลืมอัลลอฮ์ระวังสึนามิมันจะมาในช่วงเก้าโมงนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นมุสลิมที่อิมานต่ออัลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮ า, านะฮูวะตล์ละ ก็จะมาให้ดูกลุ่มยาอูมุซีนะมูซากล่าวว่าวันกำหนดของพวกท่านคือวันอีดวันขัดเลิกวันรื่นเริงวันที่รู้จักกันแล้วยาอมุซีนะนะวัยยุคชารุนนะและให้ประชาชนมาชุมนุมกันตับซีตอธิบายบอกว่าให้ประชาชนนั่นตัดสินดุฮาในเวลาสายๆเวลาดุฮาร์พี่น้องครับบรรยกาศเยอะมากนะ ขอให้เรานึกถึงอัลลอ์อย่าเพลินกับการนับเงินอย่างเดียวนะครับห ก, กสิบฟาตาวัลลาฟิรอาวนฟาจามาไคดะฮุซุมอมตาหลังจากมูซากฟาโรประชุมจบแล้วพี่น้องฟาโรก็กลับ เข้าไปในพระราชวังอีกครั้งหนึง่งเอา ล, ล้อเล่าหมดเลยบอกว่ากลับเข้าพระราชวังนะใครเข้าไปฟิรอนฟาตวัลลาเฟรานนและฟิรอนก็กลับเข้าพระราชวังฟจาจามาไกดและเขาได้เตรียมได้ตะเตรียมแผนการของเขาเป้องคิดนะฟาโร์เนี่ยเป็นคิง แล้วก็มีลูกน้องที่ดูแลท่านเองนะสามหมื่นห้าสามหมืนห้าพันคนนี่ยประชุมกับพวกนี้แหละสามหมืนห้าพันคนอย่าลืมว่าฟาโรห์เนี่ยจะเตรียมแผนการแผนการของมนุษย์กับแผนการของอัลลอฮ์ใครเหนือกว่าของอัลลอฮ์เหนือกว่าเพราะเราได้ยินว่านะอะไรนะมนุษย์วางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนยิววางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนวางแผนซ้อนแผนทนีนี่ยนี่ ฝั่ตวัน ล, ลาฟิร์อนอุนฟิร์นนก็กลับไปในพระราชวางังเชิญคนที่เป็นลูกน้องของท่านอีกแล้วประมาณสามหมืหันคนมาประชุมกันในพระราช ว, างวังฟาญามาอากัยดาฮูแล้วเขาก็ตะเตรียมแผนการกันเขาซุมมาอตาแล้วก็ออกมาอย่างที่นัดหมายอีกครั้งหนึ่งนี่อัล้อเล่านการวางแผนนี่สำคัญเอาล่ะ ถ้าวางแผนดีดีไหมดีอัลลอฮฺพอใจถ้าวางแผนผิดเป็นยังไงตัดสินใจผิดอัลลอฮฺพี่น้องเรียบร้อยหมดเลยท่านชีวิตก็เลยเสียหายหมดเลยเหรอฉะนั้นอัลลอฮฺเลยสั่งนะมุฮัมมัดเอย๋ยก่อนจะทําอะไรให้นามาตขออิสติคอ ร, อระาะฉันก่อนเราก็เหมือนกันเนี่ยจะแต่งงานมีผู้หญิงสองคนแหมรับข้อพวก็เลยจะเอาใครดีอยาอัลลอฮฺ น้มาดน้ำมาดน้ำมาดเอาลอชี้หนาชี้ทางน้ำไม่หน่อยจะเอาใครดีอีกคนนึงเอเชื้อฝรัง่งอีกคนนึงเชื้อจีนเอาไงดีเดี๋ยวเอาลอชี้นําเองเอาเชื้อจีนเธอไปน้องขอบคุณเอาลอสมาดเอาละจะนั้นนี่ไงลลอเล่าให้ฟังว่าฟาโร่ก็ทาอย่างนี้แหละพอประชุมจบแล้วเข้าพระราชวังเชิญพระพวกมาประชุมวางแผนแล้วก็ออกมาเราก็เหมือนกันไปน้อง ทนี้มูซาเนะี่ยไม่ได้ประชุมกับใครเลยนะมูซาขอดถอายต่ออัลลอฮ์เนี่ยตอนที่ฟาโร่เข้าวางังมูซาก็กลับบ้านนะนะก็ขอดถอายต่ออัลลอฮ์ฟาโร่รู้ว่ามูซาไม่ได้ประชุมเยอะมันขอไปโพยใช่มันขอดถอาอยออาไปเถอะดถวายไม่มีอะไรหรอกนี่ไงเห็นยังดูถูกดถอายของอัลลอฮ์อัอลบอพี่น้องฟาโร่ประชุมคนตั้งสามหมื่นห้าพันคนส่วนมูซา สุ้ Allah, อยตออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ช่วยหน่อยอยาอัลลอฮ์ช่วยหน่อยแล้วฟาโรรู้ว่ามูซาขอดวอามันจะมีอะไรนี่เห็นยังเป็ น, น้องดูถูกเหยียดหยามมองนบีเป็นนักมายากลมองการดวอาเป็นไม่มีอะไรใครพังฟาโรพังเองฉะนั้นอย่าดูถูกดวอาเอาขอเลือดวอานิดหนึง่งดวอานี่เป็นน้องดูถูกไม่ได้นะ ดูอามีอยู่ห้ารายการหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้ากว่าจะได้ก็สิบปีสิบห้าปีอายุตัวอย่างอย่างเราหนุ่มๆเนี่ยพวกเธอหนุ่มๆเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยต้องเริ่มขอดูอาตนะั้งตอนนี้นะอย่ารอจะให้ได้ภรรยาที่มีอีมานจะได้พาลูกฉันไปสวรรค์ต้องขอดุอานะสิบปีจะกว่าจะได้นะ ข้อที่สามขออย่างหนึ่งเอาลองให้อีกอย่างหนึ่งอ้าเช่นพอแต่งงานแล้วขออีกอยากได้ลูกผู้หญิงเอาลองให้ลูกผู้ชายเราไม่รู้อ่ะขอบคุณนัลลลข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีบาระไม่มีนาะดีนะอะไรบ้างจะเอาขออยากได้รถคันหนึ่งโอ้ก็จะวิ่งระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ลาปางอะไรพวกเนี้ย ขอมาตั้งห้าปีอัลลอฮไม่ให้พออัลลอฮให้ที่ไหนได้วิ่งไดิน่สองอาทิตย์สามอาทิตย์เกิดอุบิเหตชนรถตายพังหมดเลยคนตายด้วยรับผิดชอบเท่าไหร่เราไม่รู้นะแคนั้นขอแล้วอัลลอไม่ให้แต่บาระไม่มาพอเวลาอัลลอให้พาพบาระตามมาไม่รู้เลาว่าแค่นั้นต้องออกอนวอากรข้อที่ห้าขอบนดุญยานี้อัลลอไม่ให้แต่ไปให้ หลังตายในโลกอาคริรักเอาไหมกูแต่กูบวคุณเทียวเหงานะให้ได้หลังตายดีกว่าพี่น้องแตนั่นขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้ให้บางไม่ให้บ้างให้อยา่างหนึ่งให้อีอย่างหนึ่งดุนยาไม่ได้ได้ไดอาคริรขอบคุณอัลลอฮ์รัอยาดูถูกดูอาแบบฟาโรดูถูกว่าบูซามันมีอะไรมันมีแค่ดูอาอัลลอฮ์กับมันไอไม่มีอะไรดูอาไม่มีอะไรหรอก นี่อย่าลืมดูอาเปลี่ยนแปลงพุทธไตรกอโลดได้นะครับเอาต่อมาครับอายาที่สุดท้ายนะครับกาลละลาฮุมมูซาเ <c oughs> มื่อมาม า, มากันแล้วใช่ไหมมารวมตัวกันแล้วที่สนามใหญ่นะเวลาเวลาดูฮากาลละลาฮุมมูซาไวเอลกุมลาตตฟตรูอัลลอฮิกะดิบา ฟยุฮหิตคุณ biajab และก็ดับมานิฟตาร์อัลลอ์มูซาพูดดีมากนะนี่เป็นภาษาของนบีมูซานะครับผ่านอัลลอฮ์ให้มานะจิบรีนนำเอามาบอกนะมูซาได้กล่าวแก่พวกเขา <c oughs> หมายถึงพวกฟิโรจน์พวกมายากลแล้วก็คนที่นั่งชมบนบ น, บนเวทีทั้งหมดนี่นะ มูซาว่าไงนะไว้ละกุมความวิบัติแก่พวกท่านใช่ไหมไว้ละกุมเราไปแค่สองคนเองนะโมซานาะไปแค่สองคนไปกับฟาโร่เออไม่ใช่ไปกับพารูนไปแค่สองคนเองแบบโซโลสไลจะมาตุ่มยำกุ้งมากี่คนมากคนเดียวทางประเทศไทยอเมริกาส่งมามาทําลายตุ่มยำกุ้งพังหมดเลยออืเอา ก็ลลหุมมูซเมื่อมูซามาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าไงนะไวละกุมความบิบาติแก่ท่านเอ๋ยลาตัฟตรุอัลลอฮิกดิบาจงอย่าปั้นเรื่องโกหกต่ออัลลอฮ์ที่คุณทำในะเรื่องตอแหลทั้งหมดเนี่ยพี่น้อง เนี่ยพวกเราวันนี้ทำศาสนาบางทีไม่ได้มาจากนาบีก็เต็มไปหมดใช่หรือไม่ใช่พอนบีมาสอนตัวครูเอาคุรานมาสอนในคณะใหม่คณะใหม่ใ น, นในพวกนนพวกใส่ร้ายเลยเลยไม่มีโอกาสถึงนบีเลยบระมานี่นบีสอนเลยนะไวแล้วกลุ่มพี่น้องทั้งหลายละตัฟตารูอ al oh ัลลอฮิกะดีบอย่าอะไรนะอย่า อย่าปั้นเรื่องโกหกต่ออัลลอ์นี่เรื่องโกหกเรื่องตอแหลมูลเลยที่ประชุมกันในวันนี้นะ่ะเอามายากลมาตั้งเจสบคนในเรื่องโกหกทั้งหมดของฉันนี่มาจากอัลลอฮ์จริงๆต่อมาว่าไงฟยุสฮตะกุมบียาบมิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายด้วยการลงโทษบางอย่างให้หมดสิน้นเนี่ยที่คุณพากันมานี่นะ ถ้าอาลัลลอ์จะเล่นงานเล่นงานได้เลยแล้วก็ไม่เหลืออะไรสักคนหนึ่งถูกลงโทษจากอาลัลลอฮ์หมดเลยระวังให้ดีพอพูดคำนี้ปั๊บเนี่นะแลท่านพูดต่ออีกว่าก้อคขบมานนฟตารอแน่นอนผู้ที่ปั้นเรื่องโกหกต่อแหล่ต่ออลัลลอฮ์เนี่นะล้มเหลวไม่สมหวังแน่นอน คนที่ปั้นเรื่องโกหกต่อหน้าประชาชนต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยไม่สำเร็จลมเหลว อ, อย่างแน่นอนพอพูดคำนี้จบคนแบกออกเป็นสองกลุ่มเลยเฮ้ยนี่มันพูดยังไงวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ภาษาของนักมายากร น, นะนี่มันเป็นนบีของอัลลอฮ์นะเป็นรอซูนนะเริ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้ ว, ลวนี่มิวซาบอกมา ก, กันเยอะๆคนามา ก, กันเยอะๆ ให้ประชาชนตัดสินนี่เข้าทางเลยพอพูดคำนี้ปับ๊บเฮ้ยท่านนักมายากลมันไน่พูดแบบนี้หรอนี่ไม่ใช่นักมายากล น, นี่นี่มันเป็นนบีของอัลลอฮ์นะดูภาษามันพูดสิไวแล้วกุมความรีบัิจะเกิดขึ้นกับพวกท่าน <c oughs> ลาตัฟต์รูอัลลอฮิการีบะย่าปั้นเรื่องกโกหกต่ออัลลอฮ์มิฉนั้นอัลลอฮ์จะลงโทษคุณ แล้วก็คนที่ปั้นเรื่องโกหกนั้นเป็นไงข้อบ้าแปลว่าไรพินาศข้อบ้าแปลว่าล่มเหลวข้อบ้าไม่สงหวังแน่นอนครั้งว่าไม่สงหวังหมายถึงโลกอาคิโรควงคุณไม่ผ่านเป็นคนใจบอดอพี่น้องเห็นยังครับวันนั้นใจเราต้องสะอาดนะใครที่ผูกพันกับบอลล็อกผูกพันกับบอลซูลผูกพันกับโลกอาคีโร ผูกพันกับ ว, วันกิยามะคนนั้นแหละเขาเรียกว่าใจไม่บอดแต่คนท่านึกถึงโลกดุนยาอย่างเดียวไม่นึกถึงความตาใจบอดแล้วคนใจบอดเป็นไงครับข้อบะไม่สมหวังครับดุนยานี่ยอัลลอฮ์ให้สมหวังไม่มีพระอาเมียไปเอาบ่านไปเอารถไปเอาทีดินไปพอตายจบถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ที่ทุ่งมัสัดในกูโบโด้วยนะครับพี่น้องเอาพี่น้องหมดเวลานะครับ Subhanakallahu m m a w a b i h a m d i k a sawla i l a h a illa anta astagfirukawatu h a b u i l a i q wassalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.